ส่วนที่ประจักษ์สู่ก็คือตาทิพมันนะเช่นเราได้เห็นแล้วแลด้วยที่ประจักษ์สู่อันบริสุทธิ์อันนี้ก็ตาทิพตาทิพนั้นรู้สัตว์เกิดสัตลายเนี่ยนะเน้นไปที่รู้จิติและอุบัติส่วนธรรมะจักสู่ได้แก่มรรคยานเบื้องต่ำสามโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคมรรคทั้งสามนี่เรียกว่าธรรมะจักสู่อันตราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมจากสุขนะธรรมะจากสุขเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมในที่นี้หมายถึงดวงตาที่เห็นนิพพานนี่นิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าเห็นโดยเห็นนิพพานโดยอารมณ์ตรัสรู้ทุกข์และสมุทัยโดยกิจทั้งห้าประการ น, นี้เป็นชื่อของปัญญาจากสุขทั้งหมดเลยนะ ทั้งพุทธจักโสสมัญตจักโสยานะจักโสทิพจักโสและธรรมะจักโสเป็นชื่อของปัญญาหมดเลยของเรานี้มีม้างสักจักโสไหมเนี่ยตรวจดูแล้วดูท่าจะบอดเหมืนกันนะเยจะพอมีได้ก็มั่งเนี่ยยาณจักโสก็เนี่ยกาลังทำกิจที่เจรณาอริยศาสตร์อยู่กําลังสาธยายอริยศาสตร์อยู่นะอันอื่นไล่ไปแล้วบอดสนิทเลนะยอญาณจักโสนั้นถ้าบอกว่าดวงตาที่เห็นธรรมเหมนะง เมื่อกล่าวดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเช่นสัจญานกิตยาน ก, ยานกตายานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้คําว่าญาณนัจจสุหมดเลยบางแห่งกําหนดเลยใช่ไหมว่าเป็นอาถรรพ์ธรรมถ้ามังั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหารทั้งหลายตัวนี้เป็นปัญญาจักสุนะปัญญาจักสุทั้งห้าประการส่วนมังสะจักสุมีสองอย่างแบ่งเป็น ส, สัสมภาระจักสุและภาษาธาจักสุภาษาธาจักสุคือจกักขู่ภาษาธะตุลุลุ่ยเดียวๆ เ, เลย ถ้า ส, สัมภาระจักสู่ก็คือหมายถึงว่าจากักขูสสนะ่พร้อมทั้งสัมภาระเนี่ยนะพร้อมทั้งสัมภาระสัมภาระคือไรก้อนเนื้ออันใดตั้งอยู่ที่เบ้าตาพร้อมด้วยหนังหุ้มลูกตาภายนอกทั้งสองข้างเบื้องต่ํากําหนดด้วยกระดูกเบ้าตาเบื้องบนกําหนดด้วยกระดูกคิ้วผูกด้วยเส้นเอ็นอันออกจากข้ามกลางเบ้าตาโยงติดไปถึงสมองศีรษะวิจิตไปด้วยมนทนแห่งตาดําล้อมรอบ ด้วยตาขาวก้อนเนื้อนี้ชื่อว่าสสัมภาระจักรสุนะอันนี้มีคนละคู่คนละคู่กันเนะอันนี้ดวงตาอันนี้โตเท่าไหร่ก็เท่าใข่นะแต่ไขอะไรก็ว่าอีกทีหนึ่งนะจะบอกว่าไข่หานนี่ลําบากมากเลยนะเออก็ ส, สัมภาระจกักรสุมีกี่รูปเนะี่ยห้าสิบสี่รูปแบ่งเป็นอะไรบ้าง<แ>จักรคูทศกะสบิบกายะทัศกะสบิบภาวาทะทศกะสบิบ อาหารแปดอุตุแปดจิต 8, 7, อีกแปดนี่นะเรียกว่าห้าสิบสี่รูปส่วนความสายอันใดเกี่ยวเกี่ยวในสสัมภาระจักสูนี้เนื่องในสสัมภาระจักสูนี้อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่มีอยู่ความสายนี้ชื่อว่าภาษาธาจักสุภาษาธาตจากักรสูก็คือตัวภาษาท่าที่ในรูปห้าสิบสี่รูปดังกล่าวไปนะภาษาธาจักสูมีอันเดียว หนึ่งในห้าสิบสี่นั้นอ่ะเป็นภาษาธาจักสุดสะสมภาระจักสูดนี่ห้าสิบสี่ใช่ไหมภาษาธาจักสูดมีเดียวมีอันเดียวแต่อันเดียวนี้ไม่ได้แปลว่ามีกะลาปะเดียวเนี่ยผงเดียวไม่ใช่ก็มาดูว่าภาษาธาตจักสูดนี้นั้นโดยประมาณก็สักเท่าศีษะเลนอาศัยธาตุทั้งสี่อาบเยื่อตาทั้งเจ็ดชั้นดุดน้ํามันที่ราดลงที่ปุยนุ่นเจ็ดชั้นอาบปุยนุ่นทุกชั้นอยู่ฉะนั้น ให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวานตามสมควรแก่จิตในวิถีมีจักวิญญาณจิตเป็นต้นตั้งอยู่ณนะตําแหน่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสรีระสันฐานที่อยู่ในที่อยู่ตรงหน้าในท่ามกลางเววตาดำที่แวดล้อมด้วยมณฑลตาขาวแห่งสะสัมภาระจับสุถ้าถ้ากล่าวตามแบบสมัยใหม่ก็เรียกอะไรเรติน่า นะก็คือทั่วเพื่อจอรับภาพที่อยู่ข้างหลังนะั่นนะข้างหลัง ท, ที่ที่มันเป็นผนังเป็นเป็นอยู่ด้านหลังตาเข้าไปลึกเลยพวกนี้แต่ถ้ามองจากข้างในเข้าไปก็ต้องมองทะลุนะแววตาดําลึกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นจอรับภาพนะก็ถ้าใช้คําว่าภาษาธรรมแต่ว่าความใสใช่ไหมเป็นความใสพิเศษชนิดหนึ่งที่รับภาพได้อย่างเดียวใช้เอาไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้นะ ใช้เอาไว้รับภาพเอาไว้ดูอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะเขาเป็นใหญ่ในการเห็นมันสาเร็จเป็นวัตถุ ข, ของจักขุวิญญาณเท่านั้นตัวตัวจักขุกษาธะนะเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณเท่านั้นแต่เป็นทวารของจักขุทวาราวชนะจักขุทวาราวชนะหนึ่งะสองจักขุวิญญาณสามปฏิติสัมปฏิจชนะสี่สันติรณะห้าโวทภณะ ชาวนะและตทธารมณนะเป็นทาวารของจักขุูทาวารวิถีทั้งหมดแต่เป็นวัตถุเฉพาะจากักรูวิญญาณทีนี้วิเคราะห์ศัพท์คำว่าจากักรุู่ภาษาท่ว่าธรรมชาติใดย่อมเห็นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจักสุมีประโยชน์เอาไว้เห็นอย่างเดียวเอาไว้ดูอย่างเดียวอธิบายว่าจักรสุนั้นย่อมยินดีรูปและทำให้รูปปรากฏแจ่มแจ้งได้ ก็นันยินดีในรูปหรือไม่ก็ดูนะสังเกตดูเวลามืดๆนั้นมันอยากดูนะไ <c> ม <oughs> ่เห็นอะไรกันแน่อยากดูมากเลย <c oughs> ตอนสว่างๆก็ธรรมดาไหมปกตูมันมากอะดูปกตูคือแสงสว่างมันลดลงดูทิไม่อะไรกันแน่สีอันนั้นอะไรจต่คุมแต่คุมเหมนนะ <c oughs> ตัวจักระนี้ก็บอกว่าจาักระเตะนะแปลว่าย่อมยินดีธรรมชาติใดย่อมยินดีธรรมชาตินั้นชื่อว่าจากักขะเขาบอกว่าตานี่มีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปเนี่ยนะ ก็ถ้าวันไหนเราไม่ให้เราดูสักวันหนึ่งนะฮะคงจะเดือดร้อนมากเลยนะเคยตาแดงไหมแล้วก็ปิดตาตลอดอดดูเลยนะเสียใจแย่เลยนะเขาบอกว่าคนที่ตาไม่ค่อยดีด้วยนะยิ่งอยากดูมากกว่าคนตาดีอีกนะมีความต้องการสูงมากเพราะฉนั้นต้องการให้ตามันดีขึ้นนะนะดังั้นตัวจกักษุตัวนี้แหละควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งจักสุพร้อมทั้ง ส, สัสมภาระ การกล่าวถึงสสัมภาระเนี่ยนะทำให้เห็นถึงว่ า, ามันแบ่งตามสมุดฐานได้จากครูทัศ ก, กาลยทัศกะภาวะทัศก ะ, กะนั้นมีกรามเป็นสมุดฐานจิตก็มีจิตเป็นสมุธฐานอุตุก็มีอุตุเป็นสมุดฐานแล้วก็อะไรอีกอาหารสมุดฐานถ้าพวกเรียนเหตุปัจจัยมามากนะจิตเป็นสมุธฐานนั่นนะเป็นผลของเหตุปัจจัยเช่นดูด้วยโทสะ ดูด้วยโทสะดูด้วยโลภะเป็นต้นเนี่ยนะหรือดูด้วยกุศ ล, ลจิตพวกนั้นอนะ่ะจิตเป็นสมุทฐานในส่วนของจิตต่ชรูปคือถ้าถ้าจะแบ่งได้แบ่งอย่างนี้ในสสามภาระจักรสูใช่ไหมแบ่งเป็นรูปประกอบด้วยรูปทั้งหมดกี่รูปห้าสิบสี่รูปโดยนับเป็นกลุ่มๆได้กี่กลุ่มหกกลุ่มหนึ่งนะจากขุทัศกะสองภาวะทัศกะแล้วก็กายะ อ น, นะอาหารจิตออโต่อ่อาพวกกลุ่มจักขุจักรโมีอะไรเป็นปัจจัยมหาพูดมหาพูดนี้มีกรรมเป็นกรรมนี่มีอะไรเป็นปัจจัยครั้งหนึ่งรูปปตัตนหาแม้กระทั่งกายก็เหมือนกันนะกายมีมหาพูดเป็นปัจจัยมหาพูดมีกรรมเป็นปัจจัยกรรมก็มีโพธะปัตหาเป็น ปัจใจนัน่นนะทีนี้เวลาสำคัญที่สุดที่จะให้ตาเนี่ยกลิ้งไปดูอะไรนะที่ดูจริงๆนี่คือจักระใช่ไหมเป็นตัวที่ดูเนี่ยตัวที่เห็นจริงๆนี่จักระอันเดียวจกักระอันนี้เนี่ยมันจะกลิ้งไปที่ใดเนี่ยอยู่ที่จิตะจตะชรูปจิตตชรูปเช่นก็มองเอเรียกว่าอะไรนะปกติมันควรจะมองตรงมันกลิ้งไปซ้ายบ้างกลิ้งไปขวามั่งนั่นนะไอตัวนี้ด้วยอนุภาพจิตตชรูปนะ้นพาไปไม่ใช่ตัวจกักระ แต่ว่าในในรูปทั้งกลุ่มเนี่ยนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งขยับมันพาขยับกันหมดเลยถ้าตัวใดตัวหนึ่งป่วยนะมันพาป่วยไปหมดทีนี้จักขู่ตัวจิตตะชรูปตัวนี้มีกี่รูปเนียทั่วๆไปก็มีแปดรูปแปดรูปตัวนี้เนี่ยอนุภาพที่สําคัญทาให้ตากลิ้งไปกลิ้งมาเป็นด้นโดยมากเห hey, ตุตัวปัจจัยก็คือเท่ากับประกาศให้ความเป็นสหชาตชาติ นะสหาชาตชาินั่นเองยกตัวอย่างเหตุปัจจัยใช่ไหมอาจจัยก็แบ่งเป็นกุศลละเหตุกับมเหตุเพราะว่าตัวพวังนี้ก็ไม่ได้มามีผลอะไรต่อการดูขยับตาให้ไปเหลือขึ้นเหลือลงไปต้นน่นะแต่ถ้าผ้าหันก็ส ม, มุทาน์ที่ทำให้ตาท่านเกล่้งตายเกล่้งมาก็มหากริยาใ น, ในกุศลกุศลเหตุก็มาจากอะโลพาอะโทสะ อคุสน่ะอกุสน์โอโอก็โมหะ ก, ก็ท uh, oh, oh. ี่จริงเนี่ยนะในจิตตชรูปนี่มีอะไรอยู่ด้วยมีสีอยู่ด้วยใช่ไหมวันนารูปตัวนี้เนี่ยมันประกาศถึงเหตุปัจจัยได้เพราะะฉนั้นคนมองเราด้วยโทสะเราพอรู้ไหมเห็นสีที่จักขู่นะยังถึงโทสะได้ไหม โอมองเห็นรังสีอมมหิตแผ่ออกมาทวานตาเลยนะต้องรีบหลบๆนะมันจะลำบาก <c oughs> เพราะรัศมีอันนี้มันมันมันสะเทือนใจมาก <c oughs> ถ้าเขาดูด้วยโลผ้าล่ะสํานวนไทยๆเรียกว่าโอ้โหจ้องตาเป็นมันเลยเมัอ น, นอันนั้นแหละก็มีโลพ้าเป็นสมุทฐาน <c oughs> ถ้ามองด้วยอะโลผ้าก็พวกเจริญกะสินหรือเจริญกรรมฐานดูอสุภาเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นะเป็นอะลบ แล้วถ้าอ่านพระไตไปิฎกอาจจะอโมหะมีกําลังไหมอ่านแล้วเข้าใจไหมกุกันตาอ่านแล้วปีติย่างไงอ่านแล้วจะเสริมโสมานั้ด้วยความเข้าใจอยังไงไหมพวกนั้นก็อะโมหะมีกําลังทีนี้การประกาศถึงโลพาอะโลพาอโทสะอโมหะก็มหากุศลแอดเนี่ยไโลพาโทสะโมหะก็อกุศลสิบสองก็วิเคราะห์ได้เลยว่า ขณะที่เราสอดสายตาดูนั่นดูนี่ตวัดขึ้นตวัดลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยที่้าเจริญอะสามโมหสมะสมปัญญาเนี่ยนะก็จะต้องเอาพวกนี้มาพิจารณาทั้งหมดว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในรูปอะไรทีนี้เอ๊ะทำไมเรามองเห็นแต่สีที่ไม่ดีอันนี้ค่อยค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งค่อยวิเคราะห์เรื่องจักรครูวิญญาณใช่เพราะจักคูวิญญาณนี้อาศัยจักคูวัตถุเป็นปัจจยัย ดูแล้วแสบตาไอ้ที่แสบตาเนี่ยมันทุกขากายยะวิญญาณนะไม่ใช่จักรคูวิญญาณคนละอันกันแต่ถ้าไม่ได้ศึกษามาก็ไม่ได้จะไม่มีการแยกแยะแบบนี้เพราะว่าไอ้ที่เห็นด้วยทั้งเห็นทั้งแสบตาเนี่ยนะแสบตาก็อย่างหนึ่งเห็นก็อย่างหนึ่งแล้วก็คนละคละปัจจัยด้วยไอ้ที่แสบตาเนี่ยมีอารมณ์เป็นอะไรโทธทพะเป็นอารมณ์ใช่ไหมไอ้จักรคูวิญญาณ น, นี่มี สีเป็นอารมณ์ในขณะเดียวกันถ้ามองเห็นแสงจ้าๆเนี่ยนะตัวตัวแสงตัวนั้นอ่ะมันมีมวลเข้ามาด้วยมวลเข้ามาถึงตาไอมวลตัวนั้นนี่เป็นโพธพารม์ไอที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นสีนี่นะก็พยายามแยกแยะไปวิเคราะห์ไปตามนั้นไปนั้นธาตุทั้งทั้งธาตุถ้ า, ถาจริญแบบอภิญญ า, านิเทศทวารตาน ต้องเจริญอย่างนี้ว่าอาศัยจักขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสอย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะว่าเนี่ยสามอย่างประชุมกันอย่างนี้เนี่ยเป็นสามอย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาทีนี้ถ้าเป็นถ้าพิจารณาไอแสบตาเนียเช่นอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมี เวทนานีก็วิเคราะห์ไปตามนั้นไปทีนี้เห็นชัดหรือไม่ชัดวิธีแต่งก็ก็แต่งที่อาหารขาดไหมตาจะใสหรือไม่ใสใสามากใส่น้อยนะอาหารชรูปสําคัญมากเพราะว่าตานี่มันมันมีพังผือดอยู่ด้วยไอตัวพังผือดอันนั้นที่เรียกว่าสายวิตามินเอนะก็เข้ามาช่วยทําให้มันดีขึ้นมันหลอลื่นขึ้นยืดหยุ่นดีขึ้นอะไรขึ้นก็ว่าไปตามนั้นไปแต่ขณะนี้ก็อุตุด้วยนะ อุตุก็พวกกลุ่มความดันของลูกตาหรือว่าไอตัวอุตุเนี่ยมันต่อกันเกิดขึ้นไหมก็เข้ามาถึงนี้นถ้าต่อที่มีจักรกรรมเป็นสมุดฐานเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากเลยดั้งการพิจารณาที่ว่าจักขคู่ไม่เที่ยงนะหมายถึงจักขคู่ะาษาทะตัวเดียวนะพุทธพทจนิพพาจักรคู่ไม่เที่ยงหมายถึงจักขคู่ภาษาทะอย่างเดียวแต่แต่ว่าจากักรคูไม่เที่ยงเพราะอะไรไม่เที่ยงเพราะว่าหลายๆรูปในนี้มันไม่เที่ยงมันก็พลอยทําให้ จักขู่ไม่เที่ยงอาหารไม่เที่ยงไปต้ น, นทั้งเรียกว่ารูปฆ่ารูปนะมันเป็นอย่างนี้รูปแต่ละสมุทรฐานมันฆ่ากันเองได้แต่ละอันพร้อมที่จะมีพิษพิษแล้วมาประทุสลายเส่งกันและกันแล้วก็จากภายนอกเข้ามาก็เป็นพิษด้วยทาให้ตาเสียได้หมดเลย